<Book> 80 80คำคุณศัพท์3ค d er j ุณศัพท์3คำคุณศทุนัขท์3คัวทุนศัพท์ุนัพทุัพทัพท์3คุั์ เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวเธอมีบ้านหนึ่งหลังเธอมีบ้านหลังเล็กบ้านห h ังเบ้านหลังเล็กหน t ่ง l ลังเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแหง่ง han bor på ัวโฮลโรงแรมราคาถูกโฮเลละอารลลเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถ oh ูกฮันบูร์ป oh ัวเอทบิลเเขามีรถหนึ่งคันฮันห์อาบิล รถราคาแพงบเขามีรถราคาแพงหนึ่งคันฮบเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องฮลอมนิยายน่าเบื่อ เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่องฮันเลสเซอร์เอนทีเดลิ n เธอดูหนังหนึ่งเรื่องฮหนังน่าตื่นเต้นเเธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่องซ